เป็นปราสาสของนันทิยมามนุษย์นันทิยมามนษยังเป็นมนุษย์อยู่ขอให้พระคุณเจ้ากลับไปสู่มนุษย์บอกให้สละพาชนะดินมาถือเอาพาชนะทองเพราะปราศาส พ, พออยู่แล้วนี่เป็นคําบอกเล่าของพวกเทวดาแก่พระโมกขลานะพระโมกขลานะกลับมาสู่มนุษย์ เมื่อพุทธบริษัทไลยชุมนุมกันกกราบทุนพระพุทธเจ้าว่าคนยังไม่ตายมีปราสาทดิมานคอยอยู่มีไหมพระพุทธเจ้าบอกเธอลงมาเมื่อกี้นี้มาถามเราทําไมกว่าเธอเห็นมาแล้วอย่างปราสาทของนั้นที่ยะมาณุพระพุทธเจ้าบออาศัยเหตุนี้นำำาําธรรมมาแสดงแก่พวกพุทธบริษัท พุทธบริษัทได้สหรับเลาฟังพอเกิดศรัทธากับสาธะอยากจะกระทำบุญสุนทานอยากไปเทเป็นเทวดาเทวบุตรกันพอเหลือ่อมใสเต็มใจมาททำไปแล้วไม่เสียหายนี่เรื่องของเทวดาคิดแตกแตกต่างกั น, ก, นกับมนุษย์เราใครไปเกิดคนนั้นจะไม่เลยมีการแสวงหาสมบัติภาตุฐานเข่าของต่างๆ เกิดก็ง่ายตายก่อสะดวกเวลาเป็นอยู่อายุก่อยืนอยากได้อะไรสิ่งนั้นจะหลั่งไหลมาอยากทานอะไรสิ่งนั้นก็จะมีมาให้รับทานตามต้องการอยากงูมห่มอะไรก็มีมาให้นี่เป็นอา น, นิสงส์ที่เราสร้างไว้ในมนุษยชาติ เทวดาจึงเป็นผู้สวยผลของบุญไม่ใช่เป็นต้นเหตุเหตุที่จะเป็นเทพพระบุตรเทพพธิดาไดา้ก็เพราะอาศัยมนุษย์ผู้นั้นใจบุญสุนทานทำการกุศลในนิ่งนอนใจยอมทำสิ่งที่ตนเห็นว่าจะได้าสาระประโยชน์จากการทำของตนคนเรา เมื่อเชื่อเรื่องของกรรมทาตามโอวาทของพระพุธทธเจ้าคนนั้นจะรับผลรับประโยชน์ในปัจจุบันทันตาและขังหน้าเมื่อยังเรียนว่าตายเกิด อ, อยู่ในวัตาสงสามจะไม่อดอยากยากจนโดยอำนาจบุญกุศลติดตัวสะสมเอาไว้ไปสถานที่ใดจะเกิดภบน้อยภบใหญ่บุญกุศลจะติดตามตัวไปเหมือนเงา ทำให้เขาเหล่านั้นได้รับความสุขถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์โดยทรัพย์สมบัติสติปัญญาวิชาความรู้ต่างๆของเขาจะเฉียบแหลมเป็นคนดีมีฐานะหน้าที่มีคนเหลือ่อมใส่เถิดทูลอยากจะให้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะบุญกุศลที่เขาสร้างเอาไว้ทำให้เขาเป็นไปอย่างสะดวกสบายแต่คนที่ไม่มีบุญมีกุศลถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันพวกเราท่านก็พอทราบได้ําเกิดของเขาเป็นอย่างไรทุกอยากลำบากเข็นใจพ่อแม่บุญบอกอยากจะให้ตายไม่เจไดยินดีจะเลี้ยงแต่นั้นก็ไม่ตาย บางผู้บางคนจนเอาไปทิ้งแต่เด็กนั้นไม่ตายยังมีผูกนำมาหาขวแม่อีกนี่คือกรรมชั่วมันยังมีแต่ก็โง่เง่ า, งาเตา ต, ตุนไม่ทราบจะทำอะไรการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาท่านไรทางทรัพย์อับทั้งปัญญา ทรัพสมบัติอะไรก็ไม่มีปัญญาจะคิดอ่านกับปรุงตัวให้ดีก็ไม่มีอยากจนเข็นใจอยู่อย่างนั้นกระทั่งวันตายนี่คือคนที่ไม่มีบุญกุศลถึงเป็นคนเหมือนกันก็ผิดแปกแตกต่างกันอย่างนั้นนอกจากนั้นโรคไข้ไข้เจ็บกเบียดเบียนอดอดแอดแอดถึงมีเข่าของเงินทองมานิดหน่อยเล็กน้อย ก็อจำเป็นจำไปได้ไปหาอยูกหายามารักษาหมดเข้าของเงินทองไปร่างกายป็าหายดีขึ้นเพราะมีกำลังที่จะแสวงหาเข้าของได้อีกก็มีอันเป็นอันไปอีกเลยตั้งเนื้อตั้งตังตวไมนะ่น่ะนี่คือกรรมไม่เคยทำบุญทุนทานมาได้รับความลำบากทุกคนในศาสนา ในต้องการอย่างนั้นแต่ก็เป็นไปในโลกเราพอมองเห็นพอคิดได้แ่บคนประเทศนี้ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นคนเสมอกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมดโดยอำนาจบุญกุศลกรรมของตนจิตก่อสร้างเอาไว้ให้ผลเป็นอย่างนั้นให้คิดลึกถึงจิตถึงใจจะทราบได้ว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนมีเหตุมีผลพิเจนาด้วยใจจริงแล้วจะยอมจำนนเชื่อคำสอนของพระพุธทธเจ้าเพราะคนเราทุกคนเกิดมาต้องการปรารถนาความสุขความสบายด้วยกันแต่เหตุด้ยยายเราถึงต่างกันเป็นฝ่ามือหลังมือไปแบบนั้นก็เพราะกรรมของเขาเมื่อเราทราบได้อย่างนี้จึงพากัน สะสมคุณงามความดีเอาไว้ถึงจะนิดหน่อยเล็กน้อยก็อยากไปประมาทแต่ความดีนั้นจะไม่เหตุผลความนิดหน่อยนั่นแหละถ้าหลายครั้งหลายหนก็จะเพิ่มมากขึ้นการให้ทานของคนทุกยากเส้นใจยอมเสียสละจริงจังถึงของนั้นจะไม่มีคุณค่าก็มีคุณค่าสําหรับเขาเพราะเขาอดเขาจน เขาทุกข์เขายากยอมเสียสละจริงจังถึงตกออกหล่นออกไม่ใช่เป็นของ ง, ง่ายง่ายแต่คนร่ำรวยให้ทานมากมายหลายหลวงของเขายังเหลืออยู่ก็ไม่อดอยากทุกข์ยากอา น, นิสงส์จึงผิดแปกแตกต่างกันด้วยอํานานจะการเสียสละภายในเมื่อจิตใจยอมเสียสละหนักแน่นต่างกัน และการทำบุญทุนทานนั้นพระพุทธเจากก้าก็ให้เลือกที่ไม่ใช่ว่าอยากจะทำไปแบบไหนทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาทำไปตามทิฏฐิมานะของตนให้ทินิ้พิจารณาเลือกเฟ้นจัดหาว่าสถานที่เราจะให้เป็นเนื้อนาบุญจริงจังหรือไม่ทำไปจะเสียประโยชน์หรือจะเป็นประโยชน์แก่เรา พระพุทธเจ้าให้พี่นี้พิจารณาอย่างนั้นจึงทำไปเพื่อความแน่นอนในใจในทำไปอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าพระพุทธองค์จึงกล่าวถึงกล่าวถึงสมัยอดีตชาติที่เป็นโพธิสัตว์ท่านเป็นพระมหาสารมีเขาทองเงินทองมากมายเลือหลายแต่ อายุแก่มาเบื่อหน่ายในคารวะอยากจะออกบวชจำศีลภาวนาเป็นฤาษีเพราะศาสนายังไม่มีในสมัยนั้นนักบวชก็ไปบวชอยู่ป่าเป็นฤาษีภาวนาไปตามหน้าที่ทานเบื่อหน่ายเห็นว่าเป็นคารวะก็เป็นมานานแล้วอายุโอแก่แล้วจวนจะตายแล้ว สมบัติัสถานของเรามีมากมายหลายหลวงขนาดนี้เราจะเสียสลักให้ทานทั้งหมดแต่มาคิดอ่านถึงสมณะพรามผู้ที่จะเป็นเนื้อนาบุญนั้นไม่มีมีแต่คนทุศีลมีแต่คนธรรมดาหาผู้ที่จะเป็นเนื้อนาบุญไม่มีแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราจะให้เราจะออกการให้ของท่าน ถ้าหากท่านไม่โกโหกพกร่มเอาไว้ตามตำรับตำลากล่าวมากมายหลายหลวงถ้าจะเทียบเข้าของเงินทองในประเทศไทยยังสู้ร่วมบัตรของท่านที่เสียสละให้แก่ผู้คนในสมัยนั้นไม่ได้ของของท่านคนเดียวมีมากกว่าของในประเทศไทยจะเทียบคิดได้ถึงเรื่อง ถาดทองคำแต่ละใบลึกได้ตังสิบหกสอบคอปากกว้างสางมารถเกลียนหลากลออไปได้ตั้งแปด0มื่นสี่พันใบถาดทองคำใหญ่ๆขนาดนั้นลึกสิบหกสอบคอปากเกลียนหลากไปได้ไม่ตกเพราะคอปากกวใหญ่เดรัจนานต่างๆเงินทอง ข้าวของยัดเต็มแน่นให้ทานไปตั้งแปดหมืนสี่พันใบช้างก่อนแปดหมืนสี่พันตัวมาวัวเลืออะไรต่างๆให้ทานไปมากหากจะมาคิดแล้วข้าวของที่ให้ไปมากกว่าของในประเทศไทยสมัยปัจจุบันทั้งประเทศเมื่อท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าพิจรารณาการทำบุญสุนทานมา ที่ได้มาสอนพุทธบริษัทวิเชียรยะานังนาตะบางยะธานินังมหาพลังท่านได้ยกเอาเรื่องอันนี้เราเป็นเวลามารามสมัยนั้นได้ทำบุญพุ้นทานมากมายขนาดนั้นอานิสงส์ที่เราให้ด้วยไม่มีเนื้อนาบุญอันดีเราให้ทานมากมายขนาดนั้นเท่ากันกับให้ข้าวก้อนเดียวกับผ้าสโสดาเท่านั้น อันนี้สงที่ให้ไม่มากนายหลายหลวงอะไรเพราะเนื้อนาไม่ดีเหมือนกันกับว่าเนื้อนานั้นมันไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้เราปูกข้าวปลูกอะไรใส่หินดานที่มันงอกออกมามันก็ตายไปเสียมันไม่ให้ผลให้ดอกอะไรเพราะ ที่มันไม่เหมาะสมกับที่พ่อปู่ชั้นใดคนให้ทานทำการกุศลผู้มีสติปัญญาจึงเหลือเฟ้นสแสวงหาทำในที่ตัวเชื่อมัน่นว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลกันคน ส, สนิดนั้นในคอยพลาดคอยผิดมักอยากจะได้ตามความมุ่งมากตาธนาของตนแต่ก็ยากอยู่สำหรับปุถุชน เพราะตาของเรามันเข่ากับจิเลสไม่ค่อยจะคิดลึกถึงอาจถึงทาทาบุญเลือกหน้าไม่เป็นบุญเป็นกุศลเขาก็ว่ากันไปในสมัยปัจจุบันถ้าเลือกบุคคลเขาเชื่อผิดให้ไปด่าไปเรื่อยๆจะเป็นใคร กงถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ถือว่าเป็นเนือน้อนาบุญเดีกันนี่เป็นทางทำให้ศาสนาเสือ่อมทำให้ศาสนาเสียทำของทานของตนให้ตกไปเสียไปเพราะไม่เลือกผิดจากหลักธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าฉะนั้นพวกเราการให้ทานอย่าไปดูเหมิยนนิ น, นทาไปถือว่าเป็นของต่ำเป็นเครื่องยังศาสนา ให้จเจริญถาวรมาได้ก็เพราะอำนาจการให้ทานของท่านอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่ว่าถ้าที่ศูกษามาเนนเป็นท่าอิดท่าปูนไม่ต้องนุ่งต้องหฮมไม่ต้องอยู่ต้องกินอะไรอยู่ไปได้ไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องอาศัยวัตถุทานทุกท่านไปถึงจิตใจของท่านจะบริสุทธิ์วิมุตจากกิเลสก่อตั้ง แต่ยังอาศัยเพราะถาดขันของ่านยังอยู่จึงเลือกดูเลือกหาคนทําไรทํานาเขาดูต้นไม้ใบหญ้าที่ดินดีต้นหญ้าต้นไม้มันบอกที่ดินไม่ดีต้นหญ้าต้นไม้มันก็บอกอีกเหมือนกันีร้าที่คือสามเณรผู้มีปัญญาขอขอแสวงหาว่าเป็นอย่างไรสงควรหรือไม่ เราจะให้อะไรไปจะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นกำไรในการกระทำของเราต้องไข่ ค, คิดที่นพิจรารณาเพราะวัตถุเข้าของเงินทองที่เราได้มาหามายากลาบากได้มาโดยความบริสุทธิ์โดยความทุกข์ายากโดยหยาดเหี่ยวของเราไม่ใช่เราได้มาอย่างสะดวกสบายแล้วทาไปโดยแบ่ไข่คิด ทีเจอเลยนะมันกดเสียหายเราไม่ทํากฎหมายก็ไม่บังคับเราทํากฎหมายก็ไม่บังคับเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะทําได้ชอบที่ไหนไปทําได้เพราะเข้าของเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ทางกฎหมายก็ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราจึงเลือกคัดจัดหาที่สมควรแจะ ทรัพย์ของเราแจ่สมบัติของเราได้สะดวกสบายแต่เราจะไปทำที่ไหนจะเป็นผลเป็นกำไรเป็นเนื้อนาบุญของเราอย่าไปถือว่าวา่วงครอเลยมาม่งอะไรทำนองนั้นอะ่ะที่เขาพูดกันไปภาษาสมัยใหม่แต่ความจริงพระพุทธเจ้าให้เหลือกให้สแสวงหาสถานที่ใดสมควรให้ทำไป นี่หมายถึงผู้ที่เวียนบ่ายตายเกิดในวัดสังสงสารจะต้องอาศัยผล ท, ทานผลศีลของตนบำรุงรักษาให้รับความสะดวกสบายไปในภพครั้งหน้าถ้าหากพูดที่ท่านหมดกิเลสตัณหาหมดภพหมดชาติภายในใจก็ไม่มีอะไรที่จะไปสะแสวงหาอีกท่านทราบท่านใจภายในท่านแต่ที่จะเป็นไปอย่างนั้น ก็ อ, อาศัยปรมาทฐานภายในใจของท่านยอมเสียสละตาหูจหมูกลิ้นกายใจไม่ใคร่คิดยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นทำจิตของตนให้มั่นคงทำปัญญาของตนให้รู้เห็นขับไลไ่ใสส่งกิเลสตัณหามาณาทิฏฐิอวิชชาอุปาทาน ให้ในใจให้ตกไปแล้วขอใจชัดเจนว่าจิตหมดพบหมดชาติหมดีิเลตตัญหากระจับในตัวของท่านนี่เป็นเรื่องการภาวนาการชำระใจแต่ก็อาศัยกันเหมือนบันไดถ้าไม่มีการแห้่ทาน มนมีการรักษาศีลม่นมีการภาวนามันก็ถึงบ้านไม่ได้แต่ว่าทานมันตำ่ำบันไดขั้นตำ่ำเราจะไม่เหยียบขึ้นเราจะมาขึ้นขั้นสูงทีเดียวมันก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นมาตามระยะขัน้นจิตใจของพวกเราทัานกดทานองเดียวกันต้องศึกษาหาความดีความดีทุกสิ่นทุกส่วนที่เราสะสมอบรม เรียวกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ประเสริฐถึงกายจะแตกสลายไปทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ยังมีจะไม่เลยเสียจิตเสียใจในตัวเองบ้านหลังนี้พังไปปลูกบ้านใหม่ได้เพราะเรามีทรัพย์ถ้าเราไม่มีทรัพย์บ้านหลังนี้ถูกไฟไหมสมบัติทัศฐานเข้าล้องในบ้านไหมเลียบไปหมด เรามีแต่เราคนเดียวจะไปก่อสร้างทำอะไรอีกก็ลำบากยากเย็นกว่าจะเป็นบ้านเป็นช่องมันลำบากฉะนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนก็ไม่ทราบว่าตนคงตนจะเกิดในตระกูลใดกรรมตกแต่งมาให้มาเกิดในตระกูลที่ตนเกิดนั้นนั้นเมื่อเกิดมาแล้วถ้าไปหลุมหลง ว่าเกิดง่ายสบายไม่คิดถึงว่าบุญกรรมที่เราทำไว้ถึงให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมัวเมาเฝ้าฝันลุ่มหลงเพลิดเพลินไปอย่างอื่นไม่คิดในการจะทำบุญสุนทานไม่คิดอ่านทางจะสร้างคุณงามความดีคนนั้นตะโม หรือโสติมโมกรายโนุเพื่อสว่างมาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมืดบอดมืดไปข้างหน้าไม่ทราบว่าจะไปเกิดเป็นอะไรอีกพระหมดคุณความดีที่ตนสร้งางออกมาือมีแต่ความชั่วช้าลามกต่างๆอาจจะตกลงไปสู่ที่ต่ำนรกเปรตอสุรกายสัตว์จินชาญซึ่งเราไม่ต้องการปรารถนาะ แต่เทว่าก็ได้ไปด้วยอำนาจผลกรรมสี่ตัวไม่ได้กระทําเอาไว้เมื่อไม่มีความดีก็จะต้องไปสู่ความชั่วนี่จิตอยู่ในวงของโลกของการเรียนด่ายตายเกิดเป็นอย่างนั้นมันลำบากลำคาญหากไม่ไม่คิดอ่านไม่แจ้งขายตัวเองควรจะปรับปรุงบางรุงอย่างไรให้สนใจศึกษาให้พิจารณาให้แน่นอน นี่การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสถานที่เหมาะสมเป็นอย่างกลางที่จะไปสู่ทางดีทางชั่วสะดวกสบายเรายืนอยู่ในถนนสีแพ่งจะไปทางไหนไปได้จะไปเป็น เป็นอสุรกายสาธิตฉานก็ไปได้จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้จะไปสวรรค์พุทธโลกก็ได้หรืออยากจะไปนิพพานก็ได้ในตัวของมนุษย์คนเดียวสามารถที่จะไปได้ทุกแห่งทุกหนแล้วแต่เราจะปรับปรุงเราให้ไปทางไหนเราจิตใจปัจจุบันนี้มันใคร่คิดติดตามเรื่องอะไรตกไปในเรื่องของมนุษย์เทวดายินพรหมยมยักษ์หรือเป็น ถ้าริยเจ้าหรือลองเปส็สัตว์ปิลฉ า, านเตอสุรกาตรวจดูจิตของตัวถ้าจิตชั่วจิตเสียไม่มีฮิริโอตตปะเกิดมาก็เผิดเพินไปตามกิเลสตัณหาอยากอยู่ก็อยู่อยากกินก็กิน <c oughs> ไม่ไหลคำนึงคำนวณถึงบุญถึงกุศล น, นอนก็นอนแบบสัตว์นอนไม่มีการกราบการว่า นั่งก็ไม่มีสติสตังคิดไปตามเหลืองของกิเลสตัณหาจิตปรุงใจไม่มีอาจทำถอนตัวคนแบบนั้นรูปร่างกลางตัวก็เป็นมนุษย์แต่สัตว์ของเขาช่วแต่จิตของเขาชั่วเหมือนสัตว์พะเกิดมาไม่จะแสวงหาอยู่ห้าจินเกิดเพลินไปตามเหลืองกิเลสตัณหาสืบพันกันไปเท่านั้นเพลินจะคิดหาทางดีวิเศษไม่มี คนแบบนี้จึงเป็นคนสัตว์ปีไรฉันไม่ใช่คนดีวิเศษหาง่ายเหมือนหินตายไปเออกอะกลัวที่ไหนก็พอวได้จิตใจของคนทั่วไปมันอยู่ในทางที่ต่บเป็นมนุษย์แต่กายแต่จิตเป็น นับไม่ได้พวกเราท่านที่มีความสว่างสวัยมีใจอยากจะสร้างน้ําทําบุญต่างๆอยากอบรมตัวให้เป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญมีความสว่างสวัยมีใจสงบนับว่าเป็นผู้ที่ดีวิเศษคนทั่วโลกที่เขาล้มไหลเพลิดเพลิพนมัวเมาไม่ใช่ว่าอายุ น้อยขนาดเราแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นตาก็ยังหลงตามจีเลตันหานับไม่ได้เราหลอดมาพ้นมาจากอำนาจของจีเลตันหาปกคุมนับกว่าเราประเสริฐเราวิเศษแต่ความประเสริฐวิเศษเพียงแค่นี้อย่าไปเต็มใจพอใจความดีความเลิศประเสริฐวิเศษยิ่งกว่านี้ยังมีพยายาม ทีนี้พี่ใจนะพยายามปฏิบัติให้ใจคงตนเกิดความสว่างสวัยให้ใจคงตนละถอนกิเลศนี่เรื่องกำไรของความเกิดเราเกิดมาเพื่อหาคุณงามความดีมาค้ามาขายหากำไรในชีวิตจนถึงที่สุดนี่มุดเมื่อใดเมื่อนั้นแหละจะตายใจนอนใจได้ พยายามเยียวยาตายตเกิดก่อย่าให้ไปตกที่ทุกอยากลําบากที่ไม่สมปรารถนาของตนพยายามอบรมแนะสอนตนคนจีไก่ชิดติดตามเรื่องของธรรมแนะสอนตนคนนั้นจะไม่ผิดหวังในการขังหน้าจงพยายามทีนี้พิจรารณาทานทําให้คนร่ํารวยเข้าของเงินทองเกิดมาในพวกชาติต่างๆ จะไ่อดยากยากจนเพราออำนาจบุญกุศลคือทานที่สร้างเอาไว้ศีลทำให้คนนั้นมีกายบริสุทธิ์สยสดงดงามในมีโครคไข่ไข่เจ็บเบียดเบียนบีบบังคับอยู่อย่างสะดวกสบายเพราออำนาจศีลี่เรารักษาภาวนาทำให้จิตใจของคนนั้นเกิดฉเฉลียวฉลาด สามารถคิดอ่านอะไรต่างๆเข้าใจท่องแท้ตามเป็นจริงทั้งสามอย่างเป็นห้นทางของมนุษย์ที่ควรประพฤติปฏิบัติให้เป็นกำไรในการเกิดของตนแตนั้นทุกคนเมื่อใด้สะดับเล่าฟังจงนำไปพิปจิตรณนาศึกษาต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติก็จะมีแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องควรเสเวลาเอวัง